พิสารเนี่ยผมต้องซักซ้องกันก่อนว่าสตูตรเมื่อกี้นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนห้ามไม่ให้ให้ทานหรือห้ามหเปล่าครับไม่ได้ห้ามแต่ทรงสอนเพื่อเทียบค่าของบุญกุศลเท่านั้นแต่ในทางที่เราควรปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าถ้าเราจเจริญเมตตาเนี่ยก็มีผลไปถึงการให้การทำอะไรเนี่ยเมตตาแล้วก็จะเข้าไปจำกับก็ทําให้ สิ่งที่เราทำอย่างอื่นต่อไปนี้มันมีผลในทางบุญเต็มหน่วยมีผลในทางาเหนียวโน้มน้ําใจกันเต็มที่มากขึ้นหมายความอย่างนั้นในที่อื่นจึงทรงตรัสว่าบคุคคลควรจะต้องทําเมตตากายกรรมเมตตาวิจิกรรมเมตนามโนกรรมนั่นแหละต่อไปสูตรที่ชื่อว่าสัตติก สตินั่นแปลว่าหอกของแหลมคมเข็มก็ดีหอกก็ดีเรียกสติที่สูตรนี้ชื่อว่าเรื่องหอกหรือหมายถึงใบหอกเนะครัก็คือตัวหอกแหละหอกอย่างเดียวก็หมายถึงตัวใบหอกเพราะว่าสาระอยู่ตรงนั้นด้าำหอกไม่ใช่เป็นสาระของความเป็นหอก เป็นการประกาศอนุภาพของเมตตาในลักษณะคุ้มตัวคุ้มครองตัวเนี่นหนึ่งนะแล้วก็เป็นการประกาศอนุภาพในลักษณะที่เป็นการแก้แค้นกอนอื่นแต่นี่ไม่ได้สอนให้แก้แค้นนะแต่มันโดยปริยายวิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดเนี่ยคือการจเจริญเมตตาและจะสร้างความหายัยนนะแก่บุคคลที่ กระทำต่อเราเพื่อประกาแางต่างที่เป็นการประทุสไลเราได้อย่างรุนแรงที่สุดถึงขั้นเขาถึงเป็นถึงตายก็ได้ฟังแล้วว่าน่ากลัว <S <S ว<ะ>่าหนึ่งหน้ากลัวแทนคนอื่อสองหน้ากลัวแทนตัวเองที่ถ้าจะไปคิดไม่ดีประทุสไลแก่คนดีคนรูน้ที่ก็มีเมตตาเพราะฉะนั้นเล่นกับคนมีเมตตาในจงสังวให้มาที่อ โดยเฉพาะเมตตาสมาธิจะเป็นต้าหรือเป็นไกลก็ตามนะที่ท่านแต่เมตตาจงกลัวให้มากไม่งั้นแล้วก็ทําให้ถึงตายเรื่องเคยมีมาแล้วในแวดวงของพวกเราๆเนี่ยผมก็เคยเล่ามาบางคนก็มีเมตตาโดยโดยโอาตโนมัติใครมาทําอันตรายคนคนนี้ไม่ตายก็คางเหลืองทุกคนแต่ตายถ้าเป็นส่วนมากเนี่ยหน้าคล้ายๆอาจารย์นี่แหละ อายุมากบาอาจารย์หลายปีน so er hmm. huh ่ะลิมเจ็ดสิบแล้านนี้น่ะเนี่ยเราเคยเจอันเล่าแล้วใครเป็นใครในแวดวงหมอหมอเนี่ยในแวดวงครูบาอาจารย์อะเนี่ยแต่มันไม่ได้เกิดเฉพาะกับหมอนะมันก็เกิดคนอื่นๆที่มาแย่งชิงอำนาจไล่ตายไล่ตายสีตายไปเป็นคนๆเลยจนรู้เลยว่าใครมาทำไม่ดีกับตัวเนี่ยกลัวคือสงสารแตนคนมาทำไม่ดี ไอ้ครัค้งจะไปพูดถึงก็จะกลายเป็นแบบละพูดแบบรักษาคนประโยชน์เนาะคนณอย่าทำแค่นหน้าอะไรเงี้ยจะยังงงอย่างงีอยอยงน้นะเป็นบางทีวิธีที่จะทําให้เขาไม่ดีคือเขาต้องการแล้วได้ให้ไปะนะเขาจะได้ไม่เกิดความรูคือกลายเป็นว่าเป็นเมตตาที่มันแสดงออกเพื่อลบไปความรู้สึกไม่ดีเป็นเมตตาตินี่เป็นหลายชั้นเลยอินลึกมเมตตาลึกแบบมองเห็นลึกกว่าอา ย, ยนาก็จะเกิด อ, อย่างงี้ ก็ค่อยเกี่ยวกินเรื่อยๆทีนี้มันยิ่งลึกเนี่ยถ้าเขาหยุดได้เนี่ยมันก็แคอย่างชั่วแต่บาทีไอ้เมตายิ่งลึกเนี่ยมันยิ่งอันตรายกว่าคนอื่นเขาก็เลยถามม่าเอ๊แล้วยําไงก็อย่างที่บอกนะว่าบางทีมคนเลยเป็นเมตาว่าแผ่คุ้มครองไม่ก็เป็นอะไรมันก็ยิ่งเป็นอ่ะทีมันลิ้นไปที่ไหนก็เป็นเมตามันเหมือนไอ้โทสะโทสะความแค้นความไม่ยับยั้ คุณจะไปจ้างเขาฆ่าคุณจะไปใช้อุบายฐานนั่านี้หลบไปหลบมาเลี่ยงไปเลี่ยงมายิ่งลึกเท่าไหร่นะ่ะอย่างที่ผมบอกว่าทำมาถือว่ายิ่งโง่ทอนนั้นนะยิ่งฆ่าตัวเองอย่างเลือดเย็นทอนนั้นที่วางแผนแบบแยบยลลึกๆเนี่ยมันกลายเป็นยิ่งฆ่าตัวเองอย่างเลือดเย็นตอนนั้นมันคนไปโกงเขาลึกๆคนใช้อุบายแบบล้าลึกเนี่ยนะมันทําให้ตัวเองเดือดร้อนมากกว่านะ ถึงบกมันกยย็ให้างเหมือนอย่างคนไปเล่นคุณใสยอย่างเมื่อวานเรามีรายที่มาปรึกษาไอ้มีปัญหาเรื่องเรื่องไอผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยเข า, าก็มาเล่าว่ามันคุนใสหรือเปล่าเอย่างงู้น อ, อย่างนี้เลยนะก <c oughs> ็ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันยิ่งเล่นลึกไอพฤติกรรมตัวเองย้อนกับมาดูเองกฎหมายจับมือดมไม่ได้สักที เพราะว่าภาวนาทางบุญเนี่ยอนุภาพแรงอย่างใดพวกวิชาอาคมพวกนี้มันคือพันภาวนาในทางบางัตมันก็มีอนุภาพาอําลายอยงครับท่านว่าอย่างไรในสรูนี้ตรัสแกีิสู่ทั้งหลายที่พระเชตวันเหมือนกันครับว่าหก มีใบอันคมถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจะงอหอกเข้าจาับพับจับม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือดังนี้เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบุรุษผู้นั้นสามารถเพื่อจะงอเข้า เพื่อจะพับเพื่อจะม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมโน้นด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือได้หรือหนอนแน่นอนครับท่านรู้ว่าพิสูจนจะต้องตอบอย่างที่เราก็ตอบได้ว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าะคำถามว่าข้อนเพราะเหตุอะไรพิสูก็กล่าวูตว่าเพราะว่าการงอเข้า จะงอจะพับจะม้วนซึ่งใบหอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือก็ะทำไม่ได้ง่ายก็แหละบุรุษนั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเห น, น็บเหนื่อยลำบากทายเดียวเหนืน่อยและลำบากตรงนี้เร า, เร า, เ, ราเราพักก็อธิบายตรง น, นี้กันแล้ก่อนเราก็จะเห็นได้ชัดว่าสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศเมตตาอย่างเป็นปริศ มีอนุภาพปริตรขเมตตาแบบพูดอย่างเข้าใจง่ายที่สุดไมื่ได้พูดกับเด็กเลยมันพูดให้เด็กฟังนะคําว่าปริตที่เราเคยว่ากันมาแล้วหมายถึงเครื่องคุ้มตัวอนุภาพปริตเครื่องคุ้มตัวเนี่ยคุ้มตัวในทางฝังกม็มีแล้วก็คุ้มตัวในทางเย็นนะใช้น้ําเย็นสระดใจดีรู้เสือคือรู้เมตตาเนี่ยแล้วก็คุ้มแบบชนิดที่ว่าเราไม่ต้องไป ทำอะไรเลยกับฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องไปแก้แค้นที่จริงเนี่ยถ้าพูดกันแบบในลักษณะอานุภาพในลักษณะประตูที่เรียปัจจัยเนี่ยครับอำนาจเมตตาสมาธิที่เราสร้างสมาธิยิงย่งหรือยิงย่งแรงเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นลักษณะของอนุภาพสะท้อนกลับของอกุศลจิตที่เข้ามามันนั่งกินนะให้นึกถึงมันนั่งกิน ไอ้ที่เขายิงเ้าปล่อยแสงเงาโกงเงาโก้ยนี่นะถ้าคนไม่มีอานุภาพทางนี้เนี่ยมันก็ทิ้งแทงเลยตรงจริงีแต่ถ้ามีอานุภาพตีกลับเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าจิตกระแสจิตเราประหนีบมีผิวมันเทไหร่ก็จะมีพลังตีกลับมากขนาดเอาขุศนนั้นก็จะกลับไปทําลายบุคคลผู้นั้นเองแต่ว่า เวลาเราพูดถึงในทางธรรมะเนี่ยเราไม่ได้พูดลักษณะเป็นรูปประพันธ์อันฐานนะแต่เป็นลักษณะของการตีกลับในเชิงพลังจิตอันหนึ่งแล้วก็พลังกรรมอันหนึ่งสองอย่างก็ทำให้กรรมให้ผลเร็วว่าการปฏิสัทลายผู้มาปฏิสทธิลายตอบทำให้กรรมที่บุคคลนั้นให้ผลเร็วมันเหมือนเป็นปุ๋ย ถ้าจะเทียบพิกันดนน้นคือเป็นปุ๋ยเพราะปลุกบาป ก, กรรมให้คนอื่นให้แต่กินก้านขาขามีผลใทหทสารทำลายเร็วหรือถ้าเทียบเหมือนอย่างในทางยูกยาสารเคมีก็เป็นตัวเร่งเร่งไอสารเป็นสารเคมีเร่งสารเคมีบางอย่างให้มันมีอนุภาพบุระแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะเหมันตัวกระสายกระสายยาโบราณกระสายอะไรก็ได้มันเป็นลักษณะอย่างนั้น แต่ท่านก็ไม่ไหนมาบอกว่าให้เราแก้แค้นนะไม่ได้คิดในเจอแก้แค้นแม่ที่แต่คนไม่ตาตูงจริงๆไม่รู้จะทําไหนไอ้ทําอย่างนี้ตัดจะเดือดร้อนไอ้แม่ทําเราก็เดือดร้อนไม่รู้จะทำดีด้านไหนนะแต่ว่าไม่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมตรีติธรรมนียบเราเองมีรับผิดชอบได้ในขอบเขเตเองเท่านั้นไม่งั้นกคุณู้คนที่เป็นอรหันต์ใครมาทําบุญด้วยก็ดีใครมาทำชั่วด้วยก็ชั่ ว, วมาก ผลรุนแรงกลัวว่าพอเป็นอาลัยแล้วมีคนก็จะมาทําชั่วด้วยเลยขอไม่เป็นอาหัยจะบอกนี่นะเพราะเป็นตาเราสูงมากกลัวว่าเป็นอาลัยแล้วเดี๋ยวเดินไปถึงไหนใครก็มามีจิตคิดไม่ดีมีร้ายจะเป็นผลร้ายผลแรงกับเราไอ้นิ่มก็กลายเป็นก่ออามันก็เรื่องจริงไปเรื่อยไอ้สองทางเลือกเนี่ยครับสองสี่ของแรงบวกแรงลบเนี่ยมันถึงปเป็นเรื่องที่บางอย่างก็เกินความรับผิดชอบของเราเราก็ ก็ต้องบริหารตัวเองไปตามความบริสุทธิ์ใจนั่นแหะครับคือไอถ้าจะคิดเดี๋ยวก็เลยคนชั่วก็เลยไปคิดว่าทุก ว, วันนี้ฉันยังต้องทําความชั่วอยู่ต้องปูดโก้โกว้วาต้องจอบโกงต้องยังงุอย่างนี้เพราะเพราะว่าถ้าเกิดท่านทําดีนะตัวคนอื่นไอ้พวกสข่าวมาปูดยาลงข่าวข่าวการตึงเครดแล้วมันจะบา เองก็เลยทำตัวไม่ให้มีคุณธรรมสูงมากนะัพวกนั้นก็จะเริบ่บาปมาไอ้ที่นั่นก็ลายไปก่อ อ, อ่างไปตามเพื่องตามเราก็ไม่มีใครพูดหรอมกมีพวกก็เนือกเาไอ้ที่อ่างลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะพอมีถามว่าคนแผ่เมตตากับคนรับเมตตา อกอกเป็นใครใบหอกเป็นใครต่อไปนี้เราไม่กลัวแล้วใครจะมาด่าเราไอหอกแต่หอกอย่างนี้ไม่หักกบหักไม่ได้เราเป็นอะไรครับเป็นคนหักหอก ห, หรือเป็นหอกตัวเราเป็นหอกเป็นหอกอันคมคนที่จะทุสร้ายเราก็ดี ปัทุสลายของของเราก็ดีเป็นคนหักใบหอแต่ปัทุสลายของก็บาปน้อยน่อยปัุสลายคนเนี่ยก็บาปมากหน่อยหักไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดกันแบบ อ, อนุโลมทุกระดับเนี่ยก็คือว่าหักยากนะฮะหักยากขึ้นจับยากขึ้นหักยากขึ้นเมตตาถึงกันนพระบณ์ก็หักไปได้นี่พูดถึง อนุภาพของเมตตาเนี่ยให้การคุ้มครองร้อยปอเซ็นแต่เพราเห็นว่าผู้แผ่เมตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งแต่เกิดมาสี่พอกี่ชาติก็มีแต่เมตตามาตลอดความชั่วที่ทําที่สวนทางกับเมตตาไม่เคยทําไม่เองนเราเองถึงว่าเดี๋ยวนี้เราจะแผ่เมตตาเป็นเราก็เคยทําอะไรที่มันไม่ใช่เมตตามาแล้วกันโกนเราเยอะๆอย่างนัะค่ะเขาก็ทํามาแล้วดาเขาก็ทํามาได้วริยาเขาก็ทํามาแล้อ่า อาทิตนาทานก็นจะทํากันมาบ้างอีกหลายหลายอย่างก็คงจะทํามาตัวนี้แหละที่ว่ามันเลยเป็นตัวให้ลดทอนเป็นเงื่อนไขของเมตตาของเราแต่เราจะมาฟังเสียงเงื่อนไขนี้ไม่ได้ต้องพูดกลับกันเลยว่ายิ่งมีเงื่อนไขมากเท่าไหร่ยิ่งต้องทําเมตตามากเท่านะั้นเพื่อลดทอนไอ้เงื่อนไขนั้ให้มันนะมน้อยลงเหมือนก็ว่าทางสรรมารว่าเราจนเท่าไหร่เราต้องให้ทานเท่านะั้นเศรษฐกิจตกเท่าไหร่ ต้องสนใจเรองการให้ฐานมากขึ้นสนใจเรื่องอื่นๆที่มันคงเงินกล้ามกับอารมณ์ของคนที่เศรษฐกิจตกต่ำ ม, มากขึ้นนะนี่เป็นหลักของเงินก้ามกันเราคนไม่เชื่อถืออะไรคนโกหกมันยิ่งต้องหาทางโกหกให้แยโยนมากกว่า น, นะพฤติกรรมโกหกยิ่งดูหน้าไม่น่าเชื่อมากกว่า น, นั้นถจุงะเพราะว่ามัน ยิ่งโกหกแล้วคนไม่เชื่อยิ่งต้องใช้วิธีโกหกให้แยบยลให้คนเชื่อคนกลุ่มนี้ไม่เชื่อมันก็โกหกให้คนกลุ่มอื่นเชื่อพูดจาโอดูน่าเชื่อถ้าฟังเวลาพูดก็น่าเชื่อมแต่ว่าทางธรรมะเนี่ยต้องกลับสลับไปเราจะสร้างความเชื่อบางทีท้านก็ขอโทษนะแม้ตอนนั้นผมโกหกมันอย่างน้อยเขาก็อเออไอ้ น, นี่มันพอซึ่งจะเรียกความรู้สึกอย่างอื่นกลับไม่ได้เออมันแค่เริ่ม ตัตัวตั้งหลักใหม่ได้แล้วก็ชจะเริ่มมีแก่ใจเออมันโกหกมันยังยอมรับพลาดผิดไปยังยอมรับไปเลยนะแล้วก็ค่อยๆสร้างความเชื่อถือมนคนแก่ใจะจะเชื่อแต่ก็ผลทางดินก็ค่อยๆเกิดขึ้นใครที่มีลูกมีเจ้า มีลูกสาวไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยให้จำพุทธพจนี้ไว้เลยครับพ่องไว้ในใจเลยเราจะต้องให้เราให้คุ้มไข้การกุ้งกรองตัวเองเนี่ยดีที่สุดเราจะต้องทำตัวร้ายเป็นใบออกใบดับแต่เมตตาไปนะใครทำอะไรไม่ได้ถ้ามีกรรมก็ทำได้เพียงเล็กน้อยนะ ก, ก็ต้องนึกมาอย่างลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นกำลังใจ มีลูกมีลหลานอ่าให้ฟังให้เด็กรุ่นเลือกเวลาไปโรงเรียนเวลาอยู่บ้างคนเดียวเวลาเจอสัตว์ล้มสาตว์อะไรก็นึกว่าเออเจองูเจอเสือเราทําแปลงร่างตัวเองแปลงกายตัวเองให้เป็นคมออกคมด่ด้วยงูกัดจะได้บาดปากมบจะได้ทําอะไรเราไม่ได้อนี่นะเราก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ ก็จะเกิดเป็นคนที่มีอนุภาพขึ้นในรัต น, นัยอันนี้ผมย้ำมาฝากให้จำไว้เราจะได้อบุญทศกัณฐ์ววไม่เคยกลัดว่าให้ไปแขวนลงพ่อองค์ไหนองค์ไหนในนี้นะให้แขวนธรรมะในหัรรในวใจของเราธรรมะคุ้มครองเราได้ดีกว่าอะไรทั้งหมดผมก็เตืตอนตรงนี้สัดหนึ่งว่าถ้าเราใช้พวกของขลังเนี่ยของขลัง ให้การคุ้มครองได้ในลักษณะเท่าทุนสมมติว่าถ้าเราไม่มีเว้นไม่มีกรรมก็ให้คุ้มครองได้นะแต่เราไม่ได้อะไรเป็นลักษณะทางบวกจากพระเครื่องเลยทางบวกในแง่ธรรมะในแง่อะไรอื่นนะที่เป็นเรื่องอธิบายในแบบธรรมะแขวนสมเด็จเนี่ยมันก็ตายได้ใช่ไหมใช่แขวนรอระดีๆแต่คนไหนที่เห็นมันเป็นโจนแล้วแขวนล้าอย่างนี้น ก็มาสัมภาษณ์กันทางดีผมได้ดูแค่ไม่เต็มตอนกลางหนึ่งไม่รู้ใครได้ดูปะที่ไปเอาไอ้โจรคนหนึ่งมาเมื่ไรก่อนนะเอามาสัมภาษณ์รวมกับนักวิชาการรวมกับตำรวจคนตำรวจเอกวสิทธิเจชคุณจอนะแล้วก็เอาโจรโจรไม่อห้ส่วนใครใชรที่ไม่ให้ส่วนไม่ให้ส่วนแล้วก็คงมีตอนต่อไป ไ, ไม่ได้ดูกาตั้งอาตมาแรกนึ่ก็มาถึงประเด็นหนึ่งว่าแคว้นซาบะฮัวเขาบอกพระมีเป็นกิโลกิโลแล้วทีนี้คนถามก็ถามว่าเอ๊ะจะไปทาความชั่วจะถานตงรงๆนะวะ า, าคุ้มครองไหมจนเขาก็ไม่พยายามพูดยืนยันอะไรแต่เขาก็เจ๊ดัวเนี่ยเขาโดนมาเป็นที่อัศ จ, จรรย์หลายครั้งนะพระมีดีๆที่ไหนก็ไปตามซื้อหมดเลยจริงๆนะพระก็คุ้มครองจนครับ อ่ะนะเพราะว่าเวลาพระสร้างนี่ผมไม่เคยถามนะแต่เดาว่าท่านไม่เคยมีข้อยกเว้นนะว่าอนุภาพเหล่านี้เราจะเติมข้อยกเว้นไปอธิษฐานจิตคนไหนเอาไปแขวนทําชั่วขออนุภาพนี้ยกเว้นแก่บวคคลผู้นั้นไม่อ่ะและถ้าขืนอธิษฐานนี้ไอ้คนจะมาใช้พระมันก็คนดีมันมีธรรมะปรุงรองก็ไม่ตื่นเส้นกับลระไอ้คนตื่นเส้นกับพระคือคนไม่ดี อาเดี๋ยวผมโมคือหมาก็ยิ่งไม่ดียิ่งตื่นเต้นยิ่งมีความไม่ดีอยู่บ้างก็ยิ่งไม่ดีจะไม่ดีเพราะว่าไปโลบเอาแล้วเอาเปลี่ยวเราในโมเป็นเคื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยให้คนไม่เอาเปลี่ยวคนอื่นนะนะเป็นเครื่องมือประกอบการทําความชั่วมากกว่าทําความดีอา่านี่ผมพูดในเนื้อหาผมไม่ได้มีเจตนาไปล่วงละเมิดท่านดี่ท่านทำท่าที่ ท, าทา่า น, านทำแล้วก็มีความคิดมีเหตุผลของทา น, นฉันไม่ได้มาคิดอย่างที่ผมว่า แต่ผลเนี่ยมันออกมาอย่างนี้ไอเราเข้ามาก่อนเราแฝงพระเข้าวันแล้วเริ่แฝงตาอ่านั่นอ่าอนี่ผมกามาอมาอมเลยอ่าที่ในตรงนี้เนี่ยพระนุ้งบอกว่าพระเนี่ยคุ้มครองได้ในเงื่อนไขของกรรมถ้ากรรมยังพอมีเชื่ออยู่เนี่ยนะกรรมยังไม่หมดพระคุ้มครองได้ แต่ว่าถ้ากรรมหมดเนี่ยลืมซะบ้างหรือเอาไปแขวนอนุภาพของพระก็คุมไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แพ้กรรมจาศักดิ์สิทธิ์กว่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ธรรมะเนี่ยนะหนึ่งได้กรรมเราก็ไม่ได้ไปทำสะสมมาในทางชั่วแล้วไปทำม้าก็ให้ความอมบูนกับเราเราก็ใช้ธรรมะก็ได้บุญแล้วก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ก็ก็ทำตัวให้เป็นพระแล้วเองก็ไม่ต้องไปแกล้ะแต่ว่าถ้าเราจะแขวนงเพื่ออย่างอื่นนะฮะหรื อ, อยังพอจะว่าไม่มั่นใจบางอย่างก็แขวนไม่เป็นไรไม่ว่า<ม>คือแขวนเนี่ยมันมีใช้ปกปิดสองอย่างคือใช้เพื่อประโยชน์สองอย่างนี่จาไว้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมเปน็นตาหนิก็แกล้งทั้งหมดเดี๋ยวนั่งๆอยู่นี่มีใครแขวนงบ้ไม่ว่านะครับอยแกล้งมันไม่หลายอย่าง แต่ทักษิณน่าแขวนในในการแก้ไขใ น, นกันหนึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสเครื่องมือเอาเปรียบที่ที่ใช่กันนะแล้วก็สองเป็นเครื่องปิดกั้นครับกุศลวิบากพ่าเรามีเครอะหทางนี้มีบาปทางนี้เราก็แขวนเพื่อว่าช่วยตัวเราเบาบางให้กรรมมันให้ผลยากขึ้นเพราะว่าสิ่งเหลานี้มีส่วนช่วยทีนี้ให ก็ที่จะแขวนเพื่อบำรุงกุศลธรรมหรือแขวนเพื่อเปิดช่องให้แกกุศลวบิบากอย่างนี้ก็มีแต่ก็ขีมมักไม่ค่อยได้ใช้กันไม่คยไม่ค่อยได้นึกใช้กันสำหรับคนที่เข้าธรรมะอนุมากนะเมื่อเราแขวนแล้วก็ทําให้เราปฏิบัติธรรมะดีขึ้นอย่างเงี้นะสีใสเราดีขึ้นไอลูคนไหนเดือ้เอเราหลวงคอ หลพอหายเด้อไปสวมมันหายเดเห็นื้ออย่างนี้ก็ช่วยทําให้มันดีขึ้นอ่าหรือว่าเราไปบำรุงกุศลเราเราขี่คลาแขวนพระแล้วก็เกิดความกล้าที่จะทําความดีความกล้าที่จะทําน่นทำนี้อย่างนี้บำรุงกุศลหรือเอาไปแขวนแล้วก็ทําให้กุศลได้บางให้ผลอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็มีความโรคเข้ามาเจเิญ อ, อยู่บ้างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเกตอะไรแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็คือ มักจะไปประกอบกิเนะลส ก, กระทังขูกปล้นไงแปลกเหมือนกันนะล้าในคุ้มคองก็เลอนด้ปรากรล้าสูกปล้นไป้ยินไหม <c oughs> หลายมือขาวมาเป็นสีน่อข่าวแล้วโดนปล้นข้าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วทั้งหงหลายคนนะะคนนี้ที่เป็นตำรวจตำรวจเป็นอ้ลราชการผู้ใหญ่ก็มีเป็นดาราก็มี แล้วก็มาผลได้ดนาะยเงินไม่ได้ดายได้ดายไปละถูกปล้นเพ่จะอธิบายว่าอะไรตรงนี้ปลาไม่ขลั้งเลยมันก็ขลัง้งเหมือนกันแหละแต่ว่าคนที่ถูกปล้นปลานี่มันงมีกรรมก่ออาทิตย์อานารไปก็โวยล้ากอาไวมา้มะ่อเโดนปล้นไป เราดูย่อดหน้าสุดท้ายในหน้าถ่นยอหน้าสุดท้ายของสูตรที่ชื่อว่าสัตติสูตรปรัสว่าเพรเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายฝึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเจริญเมตตาเจโตมุตอิต อ, อ, อ น, นี้อ่านแล้วมัก็เป็นการบอกให้ทํำทําให้เป็นบุญจานทําให้เป็นที่ฝึงึงศึกษาอย่างนี้จะได้ เ น, นี่ยทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมได้ทำแต่และอย่างมีอนุภาพในทางคุ้มครองรักษาต่างกันเมตตานะั่นคุ้มครองภัยคุ้มครองอันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตไปดูสูตรสุดท้ายของช่วงแรกเนี่ยอย่างจ้ิงจังเลยสอยงสูตรสูตร ต่อไปชื่อว่ากุลสุตรกุลละหรือสกุลเนี่ยในความหมายที่นี้ท่านหมายถึงครอบครัวครอบครัวแต่แตขยายเป็นวงศ์สกุลพักพวกพื้นผงบริษัทห้างร้านหมู่คณะใดๆเราก็ถือว่าเป็นสกุลแบบนั้นนั้นยังมีคําว่าสกุลช่างสกุลนั่นะกุลนี่ น, นะฮะ ช่า ก, กุลไหนส ก, กุลช่างแบบไหนบริษัทอ่ า, ารันสงเคราะเป็นส ก, กุลส ก, กุลได้แต่ว่าส ก, กุลที่มีความหมายเป็นอย่างเดิมก็หมายถึงครอบครัวสมัยก่อนนั้นส ก, กุลหรือครอบครัวนั้นใหญ่ตั้งเดิมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่มันจะเป็นต้องใหญ่ในเหตุผลหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือ อ, อสังคมสมัย ก, ก่อนเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากบ้านเมืองเนี่ยได้ลําบากไปยากไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ ที่นี่นมีสถานีตำรวจมีระบบการปกรองในแต่ไปด้ววนะฮะมีอะไรก็ถือเราลองคิดดูกันทำไ ม, มใครที่อยู่บ้านอยู่แถวชานเมืองสมัยก่อนสถานีตำรวจแล้วทั้งกบผมเกิดมาจนอายุจบป .4 ผมเพิ่งเห็นตำรวจแค่ครั้งเดียวตอนมีคนตายเราไปสื่อว่าใครตายไม่เคยเห็นตำรวจเลย เราแยกย้ายมาอยู่กลับไปอีกทีเป็นสถานีตำรวจตารวจป่วนเปลี่ยนคนแถนนั่งพูดตำรวจก็รู้ชื่อรู้อะไรกันหมดเลยก็ในแง่การคุ้มครองก็ดีขึ้นเนะคุ้มครองไอ้ยังอื่นก็อาจจะตามมาแต่สมัยก่อนเนี่ยสังคมเนี่ยดูแลตัวเองใช่ไหมแล้วสังคมมักจะตกอยู่ภายใต้ที่พลนของพวกเจ้าออพวกคนเหลี่ยมนั่ เราก็ให้การคุ้มครองไอ้ส่วนไม่ดีก็มีส่วนดีเขาก็มีเขาก็ช่วยเหลืออะไกั น, กนไปเป็นตุลาครตุลาการไปแบบคีดแบบห น, นแต่ว่าสังคมจะดูแลตัวเองแล้วก็พระเนี่ยก็จะช่วยดูแลสังคมสมัยก่อนในส่วนหนึงด้วย <S <S แต่เพื่อระดับหน่วยย่อยลงมาถ้าบ้านไหนครอบครัวไหนมีมีลูกชายเป็นนักเลง อบอุ่นครับในบ้านนั้นอบอุ่นจริงๆไหนใจมาจากสังคมส่วนบทบางใจเข้าใจนะเจ้าบุญมากผมรู้เพราะว่า<อ>พ่อผมเนี่ยเป็นคนนักเรงคนนึงคนนักเร็งแบบโบราณใครจะค้งจะคางจะเดินไปเงียบห เกิเป็นคนนักเลงก็เป็นอะไร ก, ก็ไม่ผงไม่ทราบนะที่มันติดตัวเลยก็ไม่ไม่ทราบวาไปไม่เคยเได้ยนะินไปฆ่าใครตรงไหนทายแต่เป็นเป็นรักมีลักษณะนักเลงแบบนะก็เลยเป็นที่ยำเกรงแล้วก็อคร อ, อบครัวพี่น้องของผมก็ไม่มีใครฆ่ามาแต่ก็เป็นเดือนเขาพูดก็ขึ้นไปนไกลๆมีกลุ่มนักเลงหรือพวกหนึ่งแต่จริยธรรมต่ำก็เข้าไม่มาวอลแว่ เป็นนักเลงจงริยาทำตามไอ้ก็พูดเหมือนเศ้าข้าง่อตัวเองแต่ก็งมองดูกไ็ไม่ไม่ไม่ไม่เห็นเดยฆ่าใครตรงนีตายแต่ได้เห็นมังกตานั้เนเกแล้วก็เลยผมก็เป็นลูกนักเลงเอย่างและเหมือนเป็นลูกนักเลง เกี่ยวกับเรื่องสกุลไว้อันเกี่ยวด้วยเมตตาสกุลใดสกุลหนึ่งมีสัตย์มากมีบุรุษน้อยสกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรปล้นได้ง่ายแม้ฉันใดภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญเมตตาเจโตวิมุตไม่กระทำให้มากแล้วภิกษุรูปนั้นย่อมถูกพวกอามนุ์กาจัดได้ง่ายฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนที่คือสังหลารสกุลเหล่าใดเหล่านึ่งมีสตรีน้อยมีบุรุษมากสกุลเหล่านั้นยอ่อมถูกพวกโจรก้นได้ยากก็เหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าถ้าเราจะเจริญเมตตาเจโตุวิมุตติกระทําให้มากกระทาให้เป็นดุจหยากระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมราลกได้ดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ นี่เป็นการกล่าวในลักษณะของการรักษาตัวก็ดีโดยเที่ยบกับสกุลรักษาหมู่คณะก็ดีก็โดยการเทียบกับะกุลก็คือไปใช้ในจริงจริงๆก็ได้ในแง่สกุลเนี่ยเราถ้าใครมีครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเบียบเบียนของผู้อื่นผู้เราเบียเบียนแต่วัาดีบ้ ให้เอาหลักตรงนี้ไปฝุกใช้ให้มากคแล้วผมก็ว่าจะจะใช้ได้ผลดีจะผดึดดีเนื่องจากว่าให้ความยั่เปืนมันมบังคับเช่นว่าครอบครัวใดมีลูกสาวเยอะเนี่ยนะลูกสาวเยอะลูกสาวสวยก็มีทั้งไอ้นักเลงทั้งไม่ใช่นักเ ล, ง, ง, กเลงก็มาของ มีอยู่ลายที่เป็นยาคมที่หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่านักเลงมันมาชอบแล้วก็ใช้ที่ที่คนนักเลงก็จะมาขอลูกสาวให้ลูกสาวเขาไม่ชอบครอบครัวกขไม่ชอบเขาก็เลยต้องหาวิธีเนี่ยเอาลูกสาวเนี่ยมาฝากบริษัทค้า ย, า, ยางหนึ่งในกรุงเทพให้ทํางานอยู่ที่นี่นี่เป็นเหตุผลที่ให้ลูกสาวมาทํางานกรุงเทพเพื่อให้นักเลงมัน่ามไม่ถูก ก็ดีมันก็ยังไม่ไปบังคับพอ่อบังคับแม่พี่น้องอถึงบอกคุณโ ก, กงจะได้ทําอะไรก็ไม่ได้เรยจะบังคับให้เอากลับมาเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะราไหยนั้นก็พ้นไปอในนี้ท่ที่ยงหนตาเหมือนกับผู้ชายหรือผู้หญิเหมือนผู้ชายอวายสักศีน้อยใจไหมก็ถวายสักศีก็เหมือนสวัสดิภาพ ตัวผู้แผงเมตตาเมตตาจิตนั้นเหมือนกับบุรุษก็คือจิตที่แฝงเมตตานี่ปว่าแปลว่ระหว่างผู้ชายกับระหว่างผู้หญิงเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของความจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยใครควรจะต้องแฝงเมตตามากกว่าใครผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงนั้นอันตร า, ายมากกว่าไม่ว่าจะอันตรายทางสังคมอันตรายอะไรก็แล้วแต่นะ มันมีมากกว่าผู้ชายผู้ชายยังพอมีพลังด้านอื่นมาช่วยนะฮะก็ะในมุมปฏิบัติก็คือว่าบ้านช่องเราเนี่ยอยากปีน้องลูกร้าน่าแต่เมตาดาังกาแฟถ้าเป็นในบริษัทต้างร้านเนี่ยคนที่เป็นคนเข้าหุ้นรวมหุ้นเนี่ยนะ ถ, ถ้าเข้าใจเรื่องวันนี้ช่วยได้มามันไม่ใช่เฉพาะแผ่คุ้มครองตัวไม่ให้ใครเข้ามายิงตาย คุ้มครองทับฟิ้นแต่แะอะไรก็ต้องทำป้องกันไว้เลยแต่เวลาเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ได้ทีนี้บางทีเเราไปเจอปัญหาว่าคนหน้าไม่เอาหมายถึงผู้ใหญ่ที่สุดในครอบครัวไม่เอาเนี่ยนะแต่ตัวนี้ถือวเป็นหน่วยหลักใหญ่แต่ว่าถ้าคุณนําในครอบครัวคูณนาในหน่วนงานมีเนี่ยตะคุ้มครองคนอื่นได้ไม่ถ้าว่าให้ผูน้อยมาคุ้มครองผู้ใหญ่เนี่ยมันอุดในช่อหโหว่ทางกรรมไม่ดีด คือถึจะมีพลังเนีมตตาไกลสูงกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวออกไปเมื่อเราจะไปคุ้มครองทับถึงคนอื่นไอ้คนอื่นก็ลักไปเถอะขโมยไปเถอะเราก็ไปช่วยแต่คุ้มครองให้มันจะไปอยู่ด้านในล่ะใช่ไหมละ่าสารระสร้างศัตรูปไปเถอะ โ, อ โ, โ, อโกหกพกรลมไปเถอะอะไรมันก็คุ้มครองไม่ได้ใน้างโกหกหน้าเข้ามาคุมเนี่ยเมื่อทีทําคนนองคนก็สามารถจะดูแลได้ การประกาศวิบากกรรมของการแผ่เมตตาในลักษณะขยายตัวทึ่งขยายในนี่ของกุศลกรรมอื่นขยายตัวออกไปแล้วก็วิบากฟังดูแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องไกลหูไกลตาและมองไม่ ไม่สัดเจนนะเราก็จะละมาเทียกันลองพิจารณาดูเมื่อดูมาความในโดยฉพาะที่กล่าวว่าอสูตรนี้คือยุวิญญาวิปากาสูตรนิบากแปล ว, ว่าผลบุญก็คือบุญแต่บุญในที่นี้หมายถึงเมตตาบุญสับวมั่วเธอทั้งหลายอย่า ก, กลัวต่อบุญเลย จำว่าบุญ น, นี้เป็นชื่อของความอุเราเราดูข้อความตรงนี้ให้เต็มตาแปนิดหนึ่งก่อนว่าตาตมขอร้องว่าอย่าลัวบุญเลยตัวเสือตัวสางน้วก็มัน ก, ก็ไม่เป็นไรนะมันก็น่ากลัวเอ๊ะู้ทุทนเนี่ยนะโดยมากบาปนี่ไม่็กลัวแต่จะลัวบุญถูกไมสถูก ไอ้บาปที่เราเนความมันเป็นเครื่องป้องกันเพื่อคิดคิดค ด, ดูหลายอย่างเนี่ยอะไรหลายๆปัญหาเราค่อนข้างจะคิดเรื่องบาป <c oughs> เห็นบาปเป็นมิตเห็นความผิดเป็นมิตเห็นความชั่วเป็นมิตไม่กลัวอางนี้ทางนันก็เพราว่าไอ้บาปเนี่ยมันเป็นของมีผลหวานใกล้หูใกล้าตาลงคิดดูว่าไปโกงเข้ามาปุ๊บในหัวมันได้ทันทีเลยนะ ใช่ไหมลนะ่ะไปขมโมยเ่้ามาปุกบมันไดทันทีมันน่าทาสําหรับความคิดตืต้นตของคนบางประเภเราคิดว่าดีเวล า, าขมโมยครับไม่ได้ทันทีอะสมมติว่ามีคนฝากเงินผมมาทําบุญเนี้ยเป็นหมื่นๆหลายหลาหมื่นเนี่ยถ้าผมจะทําไม้รู้เมื่อกี้ไปขมโมยใจนะมันก็ได้ทันที แล้วเขาก็มาสนใจผงจะไปทําไม่ได้แต่ไม้ได้ได้ทันทีนาน จ, จะผ่านไปสักสามปีถึงไปรว้เอเนี่ไหนว่าจะไปตามถนนไม่ได้ตามสักเส้นหนึ่งข้า้นได้ตามก็สอบก็อาจจะไปรูท้ทีหลังไอ้ น, นี่ก็มันเป็นเรื่องช้าฉะนั้นคนถึงชอบทําบาปก็อย่างนี้้บาปมันมีล้ําลึกมีอยางไม่ต่างกันแต่บุญเนี่ย เราเงเรามีส่วนรักบุญในบางระดับแต่บางระดับนี่เราก็ไม่ไม่เคยแน่ใจไม่เคยแน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ททำยังไงถึงจะแน่ใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะบางคนเนอะไปทำครั้งหนึ่งไม่เห็นเกิดเลยขึ <c oughs> ้นก็เลยเลิกทำไม่เคยแน่ ใ, ใจบุญจ่เพิ่งได้หรือเปล่าลก็กลายเป็นอย่างนั้นไป ม่วนมนุษย์ละแล้วบางทีทําไปทํามาแล้ววิบากบางอย่างให้ผลตัวเองมองไม่ตลอดอดฝันก็จ ะ, อ, อ, จจะอ่ากำลังเลวว่าพระพุทธเจ้าหลอกให้ทําบุญหรือเปล่าจึงตรัสว่าอยากตัวบุญบุญเป็นชื่อของความทุกถ้าเรารักทุกเราต้องรักบุญจงตัวบาปชอบบาปเป็นชื่อของความทุกข์ บุญเนี่ยทุกสุกเมื่อไหร่ก็สุกตั้งแต่ทำทั้งทั้งเมื่อบุญถ้าเราทําได้แล้วสุกต้องเกิดขึ้นตอนทําแน่นอนถูกไหมนี่ถ้าเราทาบุญแล้วมันไปไเป็นบุญแล้วมันก็ไม่สุกเช่นว่าเราไปฝืนใจให้อะไรแล้วฝืนตลอดไม่มีความรู้สึกเป็นบุญเลยเหรือไปไหว้ใครไะมาโอ้หมั่นไส้เป็นที่เป็นโรคไหวไม่มีอปภัยยนตเจตนาเลยมันก็ไม่มีความสุกเลยไหว้แล้วก็ได้มือถ้าอย่างที่พูด ก, กัน แต่ถ้าเราทำแล้วมันเกิดกุศลและปีติบ้างมันก็จะมีสุขเข้าไปมีส่วนเกี่ยเราอาจจะมีความคิดเป็นเรอย่างนี้ทางบาปบ้างมันก็ลดไปตามส่วนเนี่ยอันบาปเกี่ยวมากกระทุกสุขน้อยหน่อยบาปเกี่ยวน้อยก็สุขมากหน่อยบุญบริสุทธิ์มากขึ้นก็สุขมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาตัดต่อไปว่าเรารู้ชัดซึ่งผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจ ที่เราได้เวยตลอดกาลนานที่วรู้ชักนั่นหมายว่าท่านกําลังจะเกล้าวว่าในอดีตที่ผ่านมาท่านเคยทาบุญที่นีน่แล้วก็ได้ส ว, วรวิบากมาแล้วเป็นเวลายาวนานคือเราที่ได้เจริญเมตตาจิตตลอดเจ็ดปีครั้นแล้วเราไม่ได้กลับมาอย่างโลกนี้ตลอดสังวัตตวิวัตกลัอันนี้ก็หมายถึง ตลอดช่วงแห่งอายุโลกที่เกิดขึ้นแลวก็เสรอมไปดูก่อนที่ท่างหลายเราได้มาได้ยินว่าท่า็ได้ยินว่ า, วาแปลมาจากกีละเป็นคำนบนความจริงท่า น, น, า น, นรู้เองเมื่อโลกถึงความพินาศในี่ท่านก็ไปเกิดในอาพาธรบพลมเมื่อโลกยังไม่ถึงความพินาศเราย่อมถึงความถึงวิมานลมอันว่างเปล่าได้ยินว่า ในวิมานกรมนั่นเราเป็นมหากรมก็คือเป็นหัวหน้าแล้วก็เมื่อโสดวิบากอยู่นั้นแล้วก็มาเกิดอุกางม า, าจรก็เป็นหัวหน้าเทวดาถึงสามสิบหกครั้งแล้วก็เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเซตุ้งแห่งกระพัดมีแรงญาณภาพมากแล้วก็ปรนนาร า, ายละเอียดอยื่นๆไปตอนนี้ผมสรุปแห้ฟังก็ตรงที่ว่า ที่ท่านกล่าวว่าท่านแผ่เมตตาตลอดเจ็ดปีเนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงเมตตาธรรมดาหมายถึง เ, เมตตาฌานใน ส, <S <S สมัยที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์ทสมาธิด้วยการเจริญเมตตาจนได้ฌานเมื่อได้ฌานแล้วอํานาจฌานที่มีเมตตาเป็นองค์ประกอบเนี่ยก็นําท่านไปสู่โรมุโลก คือเป็นโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนแล้วก็ไปเป็นทัวหน้าเทียวดาโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการเบียดเบีย่ยนแล้วก็ไปเป็นพระราชาที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการเบียดเบียนไอ้ตรงนี้เป็นข้อสําคัญอันหนึ่งนะว่าเราก็พิจารณานี่เขาทำมาในว่า้เราเนี่ยถ้าเราจะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่เป็นโดยไม่ต้องเบียดเบียนคนได้ไหมถ้าเราจะทําธุรกิจ ทำอย่างที่ที่เบียดเบียนคนให้น้อยที่สุดหรือไม่ต้องเดียดเรียนเลยได้ไหมถ้าเราจะก้าวขึ้นไปสู่ตาแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามเปน็นโดยไม่ต้องเบียเดเบีย น, นได้ไหมไม่ต้องยี่ยงคนอื่นก็ได้ไหมไม่ต้องไปด่านไม่ต้องไปใส่ร้ายใต้สีคอนอื่นได้ไหมมีทางไหนหนะทั้งโดยอาการทางสังคมแล้วก็ทั้งโดยอาการทางกุศลนิบาศตอบมาได้ได้ในทางหลักการแต่ว่าในทางประสบการณ์เรายังไม่ได้พิสูจน์ไปหมดเข้าไว เป็นนายกแล้วก็ามาบอกเราไปก่อนแรกน ะ, ะนะอาเป็นนายกสมาคมเลยถ้านสมาคมเลยถ้าระดับนายกสมาคมนี่จริงว่าเออเราอาจจะไม่ต้องเขาผ่านกระบวนการคือเ้ามาช่วงมาชักมาชวนมางอ้องอนเองเราไม่เอาเพาเราจะอยากจะเป็นนายกเ็ศมนตรีเท่านั้นนายกอะไรทั้งหลายนี่ไม่อยากเป็น ขึ้นพระราชาเหมือนกันพระราชาบางังประเตุเนี่ยผ่านกระบวนการการเบียดเบียนเ้าไปศึกษาอ่านประวัติศาสตร์องค์สวรรค์อุท ย, ยาเนี่ยจะไเห็นชัดเลยว่าบางองค์ไม่ผ่านกระบวนการเบียดเบียนต้องกว่าจะขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นมาแล้วจะวรักษาไว้ได้ต้องฆ่าพี่ฆ่าน้องไปจะรักษาวไว้ได้นะ่ะแต่บางองค์เนี่ยไม่่าไม่ต้องผ่านกระบวนการเบียดเบียน บางองค์ที่ทำท่าจะไม่เอาเลยยกให้หน้าหน้าก็เป็นไม่ได้ยกให้รู้สึกต้องเป็นเองแล้วก็บ้านเมืองเจริญเติบโตอะไรเงี้นะบางองค์ก็ เ, เบียดเรียนน้อยเราก็มันนึกถึงว่าในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างชัดๆแต่อย่างราชการที่หนึ่งก็ยังลบลับจกจกับฝึกพอมาราชการที่สองก็ห้อยทักไม่ใกล้แล้วนั่นแล้วนะรัชการที่สามไม่ได้ออกฝึกเลย ที่สีที่ห้าที่หก็ขาเร่อยมานเนี่ยจะมีแม่ทับออกแต่นี่ก็เรียกว่าเขาย่ทั่วลงพอมาถึงราชการที่เก้าเนี่ยไม่ได้ยุ่งเลยนะแล้วก็เป็นมหาราชที่ไม่ต้องได้มาด้วยคมหอกคมดาบดยทําด้วยยุทธวิสัยแต่ได้มาด้วยธรรมวิสัยนี่ถ้าเป็นพระราชาที่เรียกว่าเป็นพระใจ้จักรพรรดิเนี่ยบนนุญเป็นสิ่งทําให้ได้ เพราะว่าเราก็ายอมรับหนะว่าไอ้เรื่งงร้วที่มันมองไม่เห็นตัวกจริงแล้วก็มันจะไปซื้อขายจะเอาเงินไปแจกบนอะบอกว่าเมี่ยว่าเราเป็นนายกแล้วคนเขาไม่เชื่อถือไงทางชาติไม่เชื่อถือนี่บอกว่าฮะคุณเชื่อหน่อยนะผมให้พันแต่เชื่อจริงๆนะไม่จะแกล้งเชื่อเออไปขอร้องต่างประเทศให้เชื่อม า, าให้โอกาสต่างๆก็แล้วแต่มันซื้อไม่ได้นะ เป็นสิ่งซื้อไม่ได้ไอพี่เข้ามาจะเจ อ, อเ ข, าเขา้ากระแกงเจอเจอเข้าประโยชน์ไปอย่างที่เขาต้องการไปแต่หัวใจไม่ได้แต่ว่าคนที่ที่สังคมหรือว่าคนที่มีหัวใจให้เขาต้องมีสิ่งไม่ต้องไปเจ๊งเงินเจ๊งทองอย่างาท่านดิ่านมาเราก็ามีแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะมีไอส่วนนี้ในน้ําหนักที่แตกต่างกันไป ก็ว่าในส่วนหนึ่งนึงก็เกิดจากบุญให้ให้ใหผมจําป็นข้อให้ให้เป็นข้อกระโดดอย่างเงให้จําว่าเราทําอะไรบุญอื่นๆเนี่ยนะถ้ามีเมตตาเป็นแกนเนี่ยความดีที่ทําทําแล้วมันได้หัวใจคนด้วยไม่ใช่ได้แต่วิบากแล้วไม่ได้หัวใจคนไม่ว่าทําบุญด้วยจิตเครื้อกูลด้วยจิตอนุเคราะห์เรื้อกูลมันได้หัวใจคนด้วยในปัจจุบันก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าในปัจจุบันคนจะมองเห็นไหมมองเห็นเนี่ย เอาเถอะมันจะมีข้อลักลั่นกันไปบ้างแต่ว่าเมื่อวิบากนั้นส่งผลเมื่อถึงเวลาคนนั้นจะได้ความสําเร็จมาแบบไม่ต้องผ่านการยื้อแย่ไม่ต้องผ่านกระบวนการของการเบียดเบียนด้วยประการใดๆแล้วก็จะได้หัวใจคนมาด้วยอันนี้จะจะเป็นลักษณะพิเศษของผู้ที่แสเนตตา ตอนนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อแผ่เมตตาจนกระทั่งได้ฌานฌานก็ส่งผลไปอยู่บนพมโลกเป็นหัวหน้าบุลกแล้วก็พอส่งผลจนหมดกําลังฌานแล้วเนี่ยมันมันมีเมตตาที่ยังเป็นพลังอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิเมตตาองค์ธรรมคือมหากุศัญญาสัมปยุตไม่ได้เป็นอัปปนากุศลนญาณเวลาให้ผลก็ให้ผลเกิดในกาลมรรจงก็ มาแสวยมากอย่างเป็นหัวหน้าเทวดามาเป็นพระราชกับในหัวหน้าอะไอหัวหน้าเทวดาเราก็ต้องขอแสดงความนับถือสักคนในสังคมหลายคนที่ทําอะไรอะไรอยู่เวลานี้ด้วยความรักประชุมชนด้วยการให้ประชุมชนจริงๆไม่เอาอะไรนะฮะหลายคนเนี่ยแล้วก็ก็อยู่เป็นสุกคนก็ ก็เคารพนับถือต้องเล่ น, นด้วยตัวนะที่เป็นเป็นฆราวา่าอะไรเยอะอยู่กรุงเทพไม่เอาตำแหน่งไม่เอาอะไรไม่มีเงินเดือนแต่ก็ทําให้ด้วยความรักชวนชวนถ้าออกไปตามต่างจังหวัดก็จะเจอเป็นคระบางเจอเป็นคนบ้างที่ทําอะไรในละักษณะที่ให้แครประชุมชนนี่บางคนผมเนี้กําลังสังสมความเป็นใหญ่ที่ไม่ได้มาด้วยเลือดและน้ำตาของบุคคลอื่น ขอผ่านตรงนี้ไปนะไปดูอีกสูตรหนึ่งความจริงเป็นสูตรเดียวสูตรคล้ายๆกันมากเป็นแต่เพียงว่าสแสดงไว้สองที่สูตรหนึ่งนั้นสั้นสูตรสองนั่งมีข้อแตกต่างกันบ้างแล้วรับเป็นส่วนยาวตอนเริ่มต้นนั้นคล้ายกันว่าคือ คระอนุนลุดพระองค์หนึ่งที่ท่านไดไปฟังมาแล้วท่านก็นมาเล่าอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อสูตรนี่ใกล้ๆกันชื่อวปุญญสูตรคือเมตตาบุญตรัสทั้นองเดียวกันในเรื่องตัวอย่างตัวบุญเลยบุญนี่เป็นชื่องความสุขแล้วก็ตรับเออยืนยันว่าได้ทรงสเสวยวิบากนั้นมาแล้วว่าทำให้ชีวิตเป็นสุขทั้งในทางวิบากและสุขทั้งในทางมรรค สกับความสาเร็จในทางวิบากแล้วก็สูกอยู่ด้วยความรักความตอบรับความประชุมชนแต่ว่าตอนท้ายได้ทรงตรัสข้อต่างไว้ว่าดูก่อนพุทสูตันไลเรานั้นดําริว่าบัดนี้เรามีลทกมากอย่างนี้มีหนุภาพอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมสามพอมาถึงตรงนี้ท่านพูดเป็นกรรมสามคือทานธรรมะนี่ก็คือศีลนะสัญ ยงมะนั้นคือการแผ่เมตตาตั้งแต่ถึงแผ่เมตตาอธิบายแบบในในนี้ก็พูดถึงในตอนคาถาประพันก็คือทานศีลและเมตตาภาวนาแล้วข้อนี้ก็เป็นการบอกว่าที่พระพิฆาตทรงทำเมตตาเนี่ยทําครบสมบูรณ์ตามหลักไตรสิกขาคือเมตตาที่เกี่ยวข้องกับทานก็เป็นเมตตาทาน ให้ด้วยความรักไม่ใช่ให้ความรักนะให้ด้วยความรักให้ด้วยและรักด้วยแล้วก็ศีลก็คือเป็นผู้ที้มีศีลที่ปลานลบด้วยความรักผู้อื่น <c oughs> ผมอธิบายให้พอเห็นสักนิดหนึ่งครับว่า สีลที่รักษาด้วยเมตตาอย่างชัดๆกับที่เมตตาไม่ชัดนี่คืออย่างไรอย่างเช่นข้อหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์คนบางคนเน้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจของข้อการปราบโลกศีลเท่านั้นจะไม่ได้มีความรักเลยเทันทีสมมติว่าเพราะเราไปรักศีลมาเมื่อตะทีน้นี้แม่เห็นประช่อนตั ว, วันเลยอยากฆ่ า, ายจขาด รักษาศีลมาแล้วเอารู้ไปบวชตุนพระพอมีศีลเขก็ไม่ได้มีเมตตาด้วยนะเพราะไม่ได้เจริญเมตตามาก่อนก็ยังอาจจะรักษาศีลไปเพราะศีลแต่ถ้าคนมีเมตตาเนี่ยแม้ไม่สมาทานศีลก็มีศีลเองไปเห็นศาสตร์ก็มีความรักมีความเมตตาให้ควรมาเดี๋ยวจะก้าวท้าไปแล้วก็ยกเท้าหนีเสียนะให้ควรให้ก็ให้เขา แม่ยุงจะมาก่งมากัดอะไรอย่างพวกกรรมฐานเขาดูแลกันถึงขนาดนั้นอย่างที่ผมไปคุยกับนระกรรมฐานมาเนี่ยท่านก็เล่าให้ผมฟังอยู่ในเทปนะที่วัดพระอาจารย์มันท่านก็บอกว่าเล่ากันส่วนตัวเนีาะเวลานั่งสมาธิทั้ไม่ยุงไม่กัดโดยไม่ต้องตังค์เลโอ้ยุงป่าเนี่น่ากลัวแต่ทาอกว่าท่านก็ ไอ ใ, ใหม่ๆย่างเงีไม่คุ้นไม่แน่ใจดั่มมก็มันก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งกันนะว่าจะหนีว่าจะยังงู้นอย่างนี้จ่าจะเอาโน่นเอานีาน้มาป้องกันกับไล่แต่พอได้รู้ว่าเมตตามีพลังหลังจากนั้นก็ไม่ต้องคิดยังงู้นอย่างนี้ก็อยู่งีเลยเพราะมีเมตตาไล่อยู่คือพอถึงจุดหนึ่งกันตันแหละ เป็นใจว่าบางครั้งจะแบ่งในเลือดให้มันกินบ้างก็เอาแค่ว่าพอสมควรแล้วก็ไล่มนก็ใช้วิธีแผ่เมตตาบอกให้มันไปมันไปครั้งแรกยิงตอนเต็มตัวเนี่ยไปนี่ท่านอาจารย์เปลี่ยนท่านเล่านะก็เล่าันแบบธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรหรอกก็แล้วก็พลิกแปลงธรรมมาจนกรทั้งรู้ว่าเออเมตตานพึ้นฐ ให้เรอยู่กัแล้วไปทราวมันไปนะเรายิ่งแข ย, ยิ่งมาเพราะว่าแขยนั่งนี่นี่อร่อยแค่นั้นเองให้เราเพื่อตา ย, ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ทําตามกําลังนะทําพอเป็นได้แล้วก็ทําบางอย่างก็ต้องทำกินระยะยาวขอเข้าใจนะว่ารักษาศีลอย่างเมตตาอย่างหนึ่ง ไม่เอาของใครเรือความคิดขัดสนความคิดเรื่องกรรมเรื่องอะไรก็ไปเรื่องแต่ถ้าด้เมตตาออกนานเยนอ้ถึงโอ้กระเป๋าก็ทำตกเนี่ยนะแห่ยอดเงินพอดีที่เราต้องการจะไปส่งรถเลย <c oughs> แต่เมื่อ น, นึนกว่าเขาเรืยกคงใจไม่อยู่กันเนื้อตัวแลยกับของกระเป๋าเนี่ยมึงเอาไม่ลงใช่ไหมตอนตอนนั้นไม่ตา ม, มันเก น, น, นบงครั้งเนี่ย บางทีเราต่อสู้เอาศีลมาปราลบเขาไม่อยู่กันความโลภไม่ได้เอากดแถ่งกรรมมาม า, มาปราลบมรับไปเดแล้วเราก็ส ม, มุองอะไรหายเสียไปก่อนแล้วไปทําแก้ที่หลังแตง่บางทีราะเขาหยุดก่อนน่ะแล้ก็ไปตามหาแต่ของที่หลังอะไรก็ยึดตากพยายามจะหาเรื่องเขามากเขาน้อยกันได้แต่พอนึกถึงว่าโอ้โหเนี่ยกว่าเราจะเอาเงินไปคืนเขาเนี่ย ไอ้เป็นโรคหัวใจอยู่เนี่ยปามตายไปแล้วเห็นไ้มฮะแล้วก็ถ้าเกิดกลับ้านไปไม่มีเงินไปก็ไปทะเลาะกับลูกกับเมียกล้ากันตายตบตีกันวุ่นวายไปก็ไม่ทราบนะพราะบางทีเนี่ยเปิดกระเป๋ามาน ก, ก็พอรู้ว่าเออไอ้เจ้าของกระเป๋าเนี่ยระดับไหนเวลาเก็บเงินตกเนี่ยเรารู้สถานภาพทางเศรษฐกิจรู้ระดับคนเลยนะมเชื่อไหรู้ได้ยังไงวันหนึ่งผมออกมาจากปลาหีพัน์ ก็เดินมาย้อนกลับมาทางเศษแล้วเจอแบงค์ร้อยตกอยู่บใบเห็นแบงค์ตกไม่รู้เลยว่าไอคนเจ้าของเงินเนี่ยไม่ใช่คนมีฐานะรู้ได้ไงหรือมะแบงค์มันอยู่ที่ก็ถ้าเป็นคนมีอย่างเัินจะมีระดับไหนเงินจะเรียบใหมเ่เยี่ยมนะครับแทบจะว่าเงินเก่าๆไม่มีโอกาสเข้ากระเป๋าก็แล้วเพราะกระเป๋าก็ราคาแพงๆทั้งนั้น เราเป็นตื่ใจตอนเดี๋ยรักเงินตอนนับงก์ก็คุ้มเจอกะตาเลยเรื่องวุ่นวุ่นไม่เคยตาหารไม่อยากจับเลยน่ะเลยเวลาได้มาเขาจะเก็บอย่างดีใชครับให้ย้อนย้อนิืนยัทํารทำก็ยังสวยงามนะแต่ถ้าคนยากคนจนแบงก์ใหม่ไปเข้ามือปั๊บยู่ยี่ดันดีเลยมันไม่เป็นเรื่องอะไรความเรียบร้อยไม่ก็รบประตุชีวิตหนึ่งต้เป็นอย่างนั้นไละใช่ไหมอะไรอะไรก็ดูมาสวีดีดีแบงก์ร้อยแบงก์อะไรเห็น เห็นแล้วก็รู้สึกว่าสงสารแบงคนกระเป๋ารถมันคอนใส่คนประเกทนี้บ่อยๆแบ ง, งมาชักมาโอ้ไม่รู้หัดทุกอย่างยุ่ยี่ไปหมดเ้าก็เกิดเมตตาได้ทากนั้นนะั่นแหละไม่แช่ว่าเออเองนี้สาไม่ดีเงินไม่ควรอยู่ในมือเองอยู่แล้วม่ยับไปสี <c> ่ <oughs> ไม่อยู่มือค้าดีกว่าเ <c oughs> งินใหญ่จะมาอยู่กข้า สวยงามดีดก็คิดแบบพิเดนเข้าขางตัวเองไนงะมันก็มีข้อตรารลบเป็นต่างๆได้ที่ถ้าว่าเขาร่ําเขารวยก็อาจจะตรารลบเรื่องกรรมเรื่องอะไรไปอย่างนั้นก็พอจะมีน้ำหนักทีนี้พอมาถึงสัญญาณเนี่ยนี่ผมกำลังจะเนเ้นให้จบเปนง่ายๆว่าการทําสมาธิการทำภ า, าำวนาสัญญาณหมายถึงภาวนาภาวนามีหลายแบบกําหนดลมเพื่อทําอะไรก็เป็นภาวนาเั่านั้น แต่ในที่นี้ส่งหมายถึงเมตตาภาวนาที่เป็นเรื่องที่ควรทําและมีผลออกภาวนาอย่างอื่นด้วยคุ้มครองภาวนาอย่างอื่นด้วยพัฒนาภาวนาอย่างอื่นด้วยแล้วก็มีผลเพิ่มพลังของปุญยาต่ำลงไปสองอย่างนั้นด้วยก็ให้เติมที่อ้างวิริศนะครับสําหรับสูตรนี้จากพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าก็สองร้อย ไปตอนท้ายแล้วก็สูตรก่อนนั้นประเทพโยกเล่นทีสามข้อ5้าสิเสด็จใจจะไปเปิดดูก็เหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปดูอัตถคธาอะไรก็ไปเปิดดูได้ทันนี่ก็เป็นอันว่าวันนี้เราเราจบเทนี้สำหรับคราวหน้าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมจะมันจะมีส่จทีกส่วนหนึ่งก็อาจจะพูดข้าวๆเรือกพูดนิดหน่อยที่เป็นเรื่อง อนุภาพของเมตตาในบางอย่างนะบางในแล้วก็เลยไปถึงเมตตาโลตะละดอันนั้นจะพูดนิดหน่อยแต่ว่าที่นึดกว่าจะต้องพูดแล้วก็จะทําเป็นในข้อสรุปมาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตัวเมตตาอะไรต่างๆจะทําเป็นข้อสั้นๆๆมาอความหมายของเมตตาถึงการลําดับการแต่เมตตาถึงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับที่พูดมาแบบเปกระจายนี่ยนะ ก็จจะมาอยู่ในเอกสารสักสามหน้าสี่หน้าแจกถือติดมือไว้เพื่อเป็นข้อสรุปในทางเอาไปใช้ได้จริงๆจากนั้นเราก็จะหยุดกันไปจนอาจจะถึงเข้าพรรษาปีหน้าซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปพูดที่ไหนสำหรับเข้าพรรษาปีหน้าในช่วงนั้นนะก็กลาวว่าจะไปตายเอาดาบหน้า ก็าอาจจะวบกับใหม่กี่จะคงเป็นปีถับไปนูน้นแต่ว่าถ้ามีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจจะได้ไปื่อยเหตุใดก็เข้าภาษาที่หน้าคงปกติวันนี้ขอยุดจบเพียงเท่านี้